ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิอธิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่3ามเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่84เราอยู่ภายใต้เป้าหมายแล้วก็การอธิษฐานของพระเยซูที่สอนให้เราที่จะขอพระเจ้าให้ไม่เข้าไปอยู่ในการทดลองเพราะว่าคําอธิษฐานของพระเยซู ช่วยเราชนะการทดลองได้ครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแนะนำภาษากรีกนะครับสักสามสี่ตัวเพื่อที่ว่าเราจะเห็นภาพของความหมายคำอธิษฐานของพระเยซูในรูปแบบภาษากรีกได้ครับพี่น้องครับคำว่าเข้าไปในเข้าไปในภาษากรีกนั้นใช้คำว่าเอสนะครับเอ ความจริงแล้วเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในเรากำลังขอพระเจ้าปกป้องเราจากสถานที่แห่งการทดลองนะครับขอเน้นย้าว่าสถานที่นะครับเพราะคำว่า s ซึ่งแปลว่าเข้าไปในแท้จริงแล้วพระเยซูสามารถใช้คำบุพ บ, บทอื่นๆมากมายครับพรงใช้คำว่า n นะครับ คำว่า N คำอธิษฐานนี้ก็จะหมายถึงขออย่านำข้าพระองค์ในใจกลางการทดลองคำว่า N ก็คือใจกลางครับนะหรือคำว่า IN นะครับพระองค์สามารถใช้อีกคำได้ครับคำ บ, บูพ บ, บทที่ว่าเอพิเอพพหรืออ p พินะครับซึ่งหมายถึงรอบรอบ แสดงว่าถ้าเราอธิษฐานว่าขออย่านําข้าพงเอพิการทดลองก็แปลว่าขออย่านําข้าพงอยู่รอบๆขอบการทดลองนั่นหมายความว่าเราสามารถมาใกล้การทดลองแต่เดินอยู่รอบๆมันครับอยู่ตรงขอบรอบนอกมอกรอบนอกของมันนะครับนี่คือคําว่าเอพิบริบท หรือบพบดอีกคําหนึ่งก็คือพาราพระเยซูสามารถใช้คําว่าพารานะครับซึ่งน่าจะหมายถึงขออย่านําข้าพระองค์รอบๆบภายนอกการทดลองคําว่าพาราหมายความว่ารอบๆบครับแต่อยู่ภายนอกนี่เห็นได้จากคนที่เดินรอบๆอบบ้านนะครับเดินรอบรอ บ, บ้านอยู่แต่อยู่ข้างนอกครับเข้าไปไม่ได้นะครับ หรือคำบุพบทอีกคำหนึ่งใช้คำว่า dr นะครับ dr ก็จะหมายถึงขออย่านำค่าพรงผ่านทะลุเข้าไปกลางการทดลองนั่นก็จะเป็นการนำเราเข้าและออกจากการทดลองพี่น้องครับพระเยซูสามารถที่จะใช้คำบุพบทในภาษากรีกหลายหลายคำได้ทีเดียวแต่พระเยซูใช้คำว่า s นะครับซึ่งหมายถึงขออย่านำข้าพรงเข้าไปในอิทธิพลของการทดลองเพื่อให้ความบาปมาถึงชีวิตของเราหรือสัมผัสเราอันนี้เป็นความหมายของคำบุพบทคำนี้คำว่า s ถามว่าอาจารย์ทำไมต้องเอาบุพบทในภาษากรีกมาสอนเราด้วยครับบุพบทในภาษากรีกนะครับคำสั้นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้ว มีอยู่ทั้งหมดก็คือ s n a p para dr มีถึงห้าคำด้วยกันครับแต่ห้าคำนี้ทำให้เราเห็นภาพครับทำให้เราเห็นภาพถึงความหมายที่แท้จริงคําว่า s นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการเข้าไปในการทดลองนะครับการเข้าไปในการทดลองมันก็จะหมายถึงขอพระเจ้าป้องกันเราจากสถานที่นะครับสถานที่ของการทดลองนั้น เข้าไปนะครับเข้าไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องระมัด ร, ระวังนะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะเข้าไปแหล่งบันเทิงเรองรมต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราจะเข้าไปแล้วทำให้เราตกอยู่ในการทดลองหรือหนังสือบางประเภทหรือยาเสพติดบางอย่างนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับ เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเพราะมันเป็นตัวตนมันมีตัวตนมันต้องการที่อยู่และเรายิ่งกว่านั้นครับเราจะเห็นภาพของการทดลองว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งหรือสถานที่หนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าจะนำเราเพื่อที่จะไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับ สิ่งนี้ทำให้เราลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับคําอธิษฐานของพระเยซูในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะฝากข้อพระนะของพระเจ้าข้อหนึ่งในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบข้อ1ิบสามครับเมื่อเราพูดถึงการทดลองตอนกัมพีตอนนี้หนุนจิตชูใจพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นอย่างมากนะครับหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสามอยากจะให้พี่น้องได้ท่องได้ด้วยซ้ำนะครับโปรดฟังโ้อะณาของพระเจ้า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 พวกเราได้รับการสัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าการันตีครับว่าการทดลองที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแม้ว่ามาร์สตานมันจะใช้เป็นการล่อลวงก็ตามไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานอกเหนือจากนามาไทของพระเจ้าครับนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายนะครับคนอื่นทนได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราทนได้ เช่นเดียวกันครับในที่นี้ได้ย้ำเน้นถึงพระลักษณะของพระเจ้าก็คือพรงทรงสัทธธรรมพรงทรงศัทธธรรมหมายความว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งความจริงนะครับและความยุติธรรมพระองค์ทรงไว้ซึ่งการรู้ล่วงหน้าความสัมพันธ์ยูของพระเจ้าพระองค์จะไม่ให้เราต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ครับและขณะที่เราถูกทดลองพระองค์ทรง โปรดครับองทรงปรารถนาดีและองจะใช้การทดลองนี้เพื่อที่จะกลายเป็นการทดสอบให้เราผ่านครับและองก็ประทานทางออกหรือทางเลี่ยงได้ด้วยเพื่อเราจะมีกําลังทนได้พี่น้องครับหากเราพิจารณาถึงเหตุการณ์การทดลองนะครับที่ผ่านมาในชีวิตของเรา เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้านั้นให้ทางออกแต่หลายๆครั้งที่เราพ่ายแพ้นั้นเพราะว่าเราไม่เดินในทางออกหรือเราไม่เข้าไปในทางออกที่พระเจ้าเปิดไว้นะครับเราพยายามที่จะทําแต่ทําไม่ได้และเราก็กลับไปทําตามทางที่มารซาตานมันล่อลวงตกลงไปอยู่ในกับดักและในหลุมพรางของมัน เพราะฉะนั้นในการอธิษฐานเรากำลังขอพระเจ้านำเรานะครับไปยังที่ซึ่งเราสามารถชนะการทดลองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นะครับเมื่อเราอธิษฐานเช่นนี้เรากำลังยอมรับว่าถ้าเราคิดโอ้อวดว่าเราสามารถต้านทานการทดลองได้เรายอมรับว่าเราจะลม้มลงครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่หญิงยโสครับ เราไปเราอย่าไปคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วหรือตัวเองเก่งแล้วตัวเองเป็นผู้เชื่อมานานตัวเองเข้มแข็งนะครับพี่น้องครับอย่าคิดอย่างนั้นครับเพราะท่านอัคขาทูตเปาโลท่านเตือนผู้เชื่อในหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสองก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งข้อนะครับก็คือเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงนะครับเมื่อเราอาธิษฐานว่า ขออย่างนำข้าพงค์เข้าไปในการทดลองเราใช้ความถ่อมใจครับนะครับและการไม่ไว้วางใจตัวเองนะครับเพราะเรารู้ว่าเราล้มลงได้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงขอพระเจ้าให้นำเราออกจากการทดลองเพื่อเราจะไม่ล้มนะครับเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ไว้วางใจปากของตัวเองปากก็คือสิ่งที่จะพูดครับนะครับเราจะระวังสิ่งที่เราพูดนะครับ เพราะเหตุท <elet> ี่ว่าเราไม่ไว้วางใจท้าของตัวเองเราก็ต้องระวังสิ่งที่หรือสถานที่ที่เราจะไปเพราะเราไม่ไว้วางใจตาของตัวเองเราก็จะต้องระวังระมัดระวังสิ่งที่เราจะดูเพราะเราไม่ไว้วางใจความคิดของตัวเองเราก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่เราต้องอ่านเพราะเราไม่ไว้วางใจหัวใจของเราเองเราก็ต้องระวังความปรารถนาของเราหรือความต้องการของเรา พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูในรายละเอียดต่อไปครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะไม่ไว้วางใจตัวเองครับตัวเองเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ยากมากขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเราทั้งหลายนะครับเราต้องพึ่งในพระเจ้าและนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นคริสเตียนของเราก็คือเรามีที่พึ่งครับเรา interdependence และดีเพนเด n ตในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อไปครับข อ, รอพระเจ้าอวยพพรทุกท่านอาเมน